พระธรรมเทศนาแผ่นที่62ลำดับที่20โดยหลวงพ่ออินทาวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่28มีนาคม2557มีเชื่อเรื่องว่าจุดยืนของหลวงพ่อเกี่ยวกับเจดีหลวงตา ทำไมชันนี้มันมาร้องเพลงใกล้นักวันนี้วะเป็นไรมันหน่อยวะอยากไล่วะห้องอยู่มัดมือเป็นชั่วโมงอยัางห้องโซเกาอยู่บ้องโซไม่ไปเลยเพราะปันบังไฟพญานาคบังไฟพญานาคจูดไปสักปีสักปีือโจโลคึ้เกา ไอ้หนี่งให้กันบอกช์นี่สมท้ายมันหลองเพ้งรลองไปได้ก็คือเก้าอี้วนไปบ่มีซอลไหมไรมันไปหองไกลๆปเอาละกูฟังเข้าใจแล้วล่ะมึงไปหาหลองมงอื่นไปวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบปด มีนาคมพุทธศักราช 2,557 วั น, นี้พระทั้งหมด29รูปนะพระเด็นของเราแล้วก็เมื่อวันที่26ที่ผ่านมาหลวงพ่อให้พระในวัดของเรามีท่าน รัตนะเป็นผู้นำแล้วก็ท่านหน่อยท่านตั้มหลวงตานิคมหลวงตาสมบัติพระทัพหธ่ารูปเออท่านเชียงด้วยวะหกรูปเนี่ย เ, เ, เมันมันห้ารูปน ว, วเอาไล่ใหม่ <c oughs> ท่านรัตนะ ท่านนอยท่านเชียงท่านตั้มหลวงตานิคมหลวงตาสมบัติเป็นตัวแทนเข้าไปไประชุมเกี่ยวกับเจดีพิพิธภัณฑ์เพราะว่าคณ ะ, ะสง่งทางเกี่ยวเนื่องมาจากนูน่นมาจากต่างประเทศโค โ, รโลราโดหลวงพ่อนลงบอกมาว่าทุนกระหม่อมฟ้าหญิงเสด็จแล้วก็มีพระบัญชา ลักษณะอย่างนั้นหละก็เลยมีคณะสงฆ์ไงเข้าไปไประชุมวันที่26มีนาพุทธศักราชสอ5พรห้าสบเจดเวลาบ่ายโมงเริ่มประชุมพระกูบาจารย์กมากาไปไประชุมแต่หลวงพ่อบอกว่าหลวงพ่อไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้เกี่ยวข้องอย่างไรคล้ายๆก่าไม่ได้เป็นมีส่วนที่มีความเค็ดคิดเห็นขัดแยง้ง หลวงพ่อเห็นคณะสงฆ์มติสงฆ์อย่างไรหลวงพ่อก็ให้เอาอย่างนั้นหลวงพ่อก็เลยล่างเป็นหนังสือล่างเป็นหนังสือมติสงฆ์ล่างเป็นหนังสือ ม, ต, นนอมติของหลวงพ่อจุดยืนจุดยืนของหลวงพ่อหลวงพ่อมีจุดยืนอย่างไรมังแต่ทีแรกเรื่องการสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตา หลวงพ่อก็ะเดชล่างหนังสือให้ท่านรัตนาร่างเสร็จแล้วก็อ่านให้ฟังเป็นที่เข้าใจหลวงพ่อก็เซ็นเซ็นชื่อรับรองเอกสารจากนั้นก็ท่านทั้งหองค์ก็เข้าไปร่วมประชมุมก็ไปอ่านให้ที่ประชมุมได้รับรู้ ร, ร, รับทราบว่าความประสงค์ของหลวงพ่อเนะี่ยมีอย่างไรต่อองค์พระเจดีองค์หลวงตา เสร็จแล้วก็มีการประชุมกันจากนั้นก็มีการเซ็นหนังสื อ, อลักษณะเซ็นเห็นด้วยผู้ไม่เซ็นก่็ลักษณะไม่เห็นด้วยแล้วเห็นด้วยลักษณะอย่างนั้นแต่หลวงพ่อบอกถึงหลวงพ่อจะไม่ได้เซ็นแต่ลูกพอมีหนังสือปะหน้าไปว่าคณะสงฆ์ว่าอย่างไรหลวงพ่อว่าอย่างนั้นพอหลวงพ่อไม่ใช่ผู้ขัดแย้ง ไม่ใช่ผู้ขัดขวางไม่ใช่ผู้เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยการสร้างเจดีย์นี่จะไม่ว่าไม่เห็นด้วยได้อย่างไรพอหลวงพ่อประกาศในวันประกาศโครงการว่าจะสร้างพระเจดีย์หลวงพ่อเองก็บอกว่ากลุ่มคณะวัดของเราวัดป่านาคำน้อยของเราจะร่วมสมทบสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตาเป็นอามิตรบูชา ในกองทุนหรือเงินของวัดเรา50ล้านบาทนะเนี่ยอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่ขนี้เมื่อคณะสงฆ์ได้ไปไประชุมหารือกันตกลงกันแล้วหลวงพ่อก็จะจะให้ท่านท่านรัตนะหรือท่านเสียงอ่านเอกสารฉบับนี้ให้กับพวกเราได้รับรู้รับทราบว่าที่ทลงพ่อ จุดยืนของหลวงพ่อนั่นคืออะไรจุดยืนของหลวงพ่อนั่นคืออะไรที่จะได้เรียนให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ทราบพราะวัติการที่จะพูดอะไรออกไปหลวงพ่อพูดอะไรออกไปพวกเราในฐานะเป็นพระในวัดหรือว่าเป็นญาติโยมพวกเกี่ยวข้องน่าจะรับรู้รับทราบ ร่วมกันที่หลวงพ่อแสดงจุดยืนออกไปนะไม่ใช่ว่าโอ้หลวงพ่อพูดอะไรออกไปในวันนั้นเห็นบางคนก็ได้ถูกกัลยหานินทาตุติตชินนินทาออกมาพวกเราก็ไม่สบายใจแต่วมื่อลุงพ่อไม่รู้พูดอะไรแต่เมื่อพวกเราได้ฟังในวันนี้ได้หลวงพ่อได้ให้พระอ่านให้ฟังพวกเราก็จะรู้ได้ ตอบโต้เขาได้อีกต่างหากหรือไม่ตอบโต้ก็รู้ว่าใครมีเหตุผลอย่างไรหลวงพ่อจังพูดอย่างนั้นเราก็จะได้ได้รับรู้รับทราบเป็นเบื้องต้นซะก่อนเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างก็อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินบางทีเรื่องไม่มีเป็นเรื่องอก็เป็นเรื่องขึ้นมาแต่ผลในสุดก็มันไม่ใช่ไม่ไม่เป็นเรื่องจริงๆมันก็หายเงียบไปแต่ก็ข่าวก็ดังไปแล้ว นี่แหละอันนี้ก็เหมือนกันน่ะอยากจะให้พวกเราได้รับรู้รับทราบเป็นเบื้องต้นพอจดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายยืนยันเป็นประวัติศาสตร์พอสมควรในการที่จะดําเนินการสร้างพระเจดีขององค์หลวงตาให้พวกเห็นด้วยหรือพวกมาเห็นด้วยเออมันล้วนแล้วแต่มันเป็นแนวความคิดทั้งหมดนแต่จดหมายฉบับนี้หลวงพ่อว่าเป็นกลางที่สุดใน ในในความเห็นของหลวงพ่อนะอคล้ายๆว่ามีจุดยืนของหลวงพ่อเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ชี้นำชี้แน่ว่าเอาอย่างนี้ดีไหมอย่างนี้ดีไหมถ้าว่าไม่เอาก็ไม่เป็นไรกระจบแต่าจะเอาก็เนี่ยเ อ, เอาลักษณะเดินแบบนีเ้เพื่อความพร้อมเพียงสัมกีจะดีไหมหาทางออกอไม่ใช่ว่า พูดจบแล้วก็ตัวเองแสดงความคิดเห็นมีจุดยืนของเราแล้วก็ไม่ได้เสนอทางออกออไม่ใช่อันนี้เราเสนอทางออกให้กับคณะหรือสิทธิ์ยาวในิสิตที่เป็นสิทธิ์ขององค์ลงตาร่วมกันฮะนี่คอคอยฟังนะท่นี่นะเอาใครจะเป็นคนอ่านรัตนะอ่านก็ได้นะหรือเจนเสียงอ่านเอาสันตติอ่านเจ้าของฉบับปะคงจะอ่านได้คล่องกว่าวะผู้รัง สำเนาวัดป่านาคําน้อยวันที่27มีนาคม2557กราบเรียนท่านพระอาจารย์สุดใจที่ครบรออย่างสูงกระผมได้แนบเอกสารที่ถวายไว้นัดที่ประชุมเมื่อวันที่26มีนาคม2557มาเพื่อพิจนารณาดําเนินการต่อไปท่านพระอาจารย์อินถวายให้กระผมเรียนให้ทราบว่าเนื่องโดยองค์หลวงาตามิได้มอบหมายให้ท่านพระอาจารย์อินถวายทําหน้าที่ในเรื่องการสร้างเจดีย์ ดังนั้นการลงนามเกี่ยวกับเจดีหรือการพิจารณาร่วมกับคณะสงฆ์เกี่ยวกับสถานที่จึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่ท่านพระอาจารย์อินทวายควจะเข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงท่านพระอาจารย์อินทวายจึงของมอบให้เป็นภาระหน้าที่ของคณะสงฆ์ศิษยานุศิษย์ขององค์ลุงาตาทุกหมู่เหล่าจะได้พิจารณาหาหรือเห็นชอบร่วมกันหากได้ข้อสรุปเป็นประการใดแล้วท่านพระอาจารย์อินทวายเอง ก็พร้อมน้อมยอมรับมติของคณะสงฆ์ที่เห็นชอบร่วมกันนั้นแล้วจึงขอส่งเอกสารทั้งหมดกลับคืนมายัางท่านเพื่อจะได้พิจารณาดำเนินการต่อไปกราบเรียนมาด้วยความเคารพอย่างสูงพระรัตนเเข ม, มาัตโนเอกสารเขียนที่วัดป่านาคำน้อย132มหมู่7จ็ดตำบลบ้านก้องอพเภอนายูงจังหวัดอุดรธานี วันที่ยีมีนาคม2557กราบพระเดียงหลวงปูบ่บุญมีปริปุนโนหลวงปู่ ล, ะะลีกุศลทโลพระอาจารย์สุดใจทันตมโนเจ้าวาดวัดป่าบันตาดพระมหาเถรานุเถระพร้อมคณะสงฆ์ศิษยานุสิทธิ์ขององค์หลวงตาที่กรบอย่างสูงตามที่พระอาจารย์สุดใจทันตมโนในานามคณะสิทธิ์สยานุสิทธิ์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้ส่งหนังสือให้พระมหาเถระศิสศยานุสิทธิ์ องหลวงตาลงนามยืนยันสถานที่ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตามเจตนารม์ขององค์พ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวที่เมตตายอมรับคำประวัตนาถวายที่ดิน31อไร่ของนางประภัยพรเดชตีระยากรมีพลานิสงสืบเนื่องมาเพื่อการนี้นั้นกล่าวกับผมเองในฐานะที่เป็นสิทธิของ พ่อแม่ครูอาจารย์ผู้หนึ่งพร้อมยินดีสนับสนุนมติของคณะสงฆ์ดังกล่าวโดยในการนี้อยากจะขอกราบเรียงแสดงความเห็นบางประการที่น่าจะได้นำมาใช้ประกอบการพิจารณาเพราะการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึง่งลงไปในในครั้งนี้จะเป็นการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์หากไม่ได้พิจารณาเหตุผลโดยรอบคอบรอบด้านหรือละเลยบางประเด็นของมิติแห่งปัญหาบางอย่าง บางประการรวมทั้งไม่ได้ครอบคลุมสภาวะแวดล้อมแห่งการเวลาที่เป็นอดีตปัจจุบันอนาคตเข้ามาประกอบการพิจารณาด้วยแล้วก็อาจทําให้พวกเราได้รับภาพรวมหรือผลสรุปไม่ชัดเจนอย่างที่ควรจะเป็นก็อาจเป็นได้กาวกับผมขอกราบประเดียงต่อคณะสงฆ์เพื่อให้ทราบโดยทั่วถึงกันว่านับตั้งแต่องค์ลุงตายัางทรงทาทขันกล้าวกับผมเองและคณะสงฆ์สิทธิานุสิ์มีเจตนารมณ์อย่างแรงกล้า ที่จะได้มีโอกาสสร้างเจดีถวายพ่อแม่ครูอาจารย์โดยได้มีโอกาสเข้ากราบเรียนขออนุญาตต่อองค์หลวงตาโดยตรงหลายวาระด้วยกันที่กุฏิพ่อแม่ครูอาจารย์นวัดป่าพันตาดเช่นเมื่อวันที่14ตุลาคม2549และเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2549ตามลําดับเพราะความประจักษ์ถึงเมตตาคุณอย่างสุดซึ้งของพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ได้ อ, อนุญาตให้ขา้ขาบดีท่านหนึ่งและคณะทําการก่อสร้างเจดีมหามงคลบัว น้อมถวายที่จังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ในขณะนั้นนอกจากการเข้าขออนุญาตต่อองค์ตาดังกล่าวในขณะเดียวกันก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านควบคู่กันไปเพื่อให้การก่อสร้างจะดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมและคู่ควรสมฐานะองค์เอกอัครมหามรดกผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคปัจจุบันเช่นการเตรียมหาทุนในการก่อสร้างการจัดหาที่ดินเพื่อการก่อสร้างการจัดหาทีมสานิกออกแบบ นัดทีมวิศวกรเพื่อการควบคุมการก่อสร้างเป็นต้นโดยการเตรียมการจัดหาที่ดินก็ได้รับการเสียสละบริจาคจากคณะสิทธิผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือองค์หลวงตาอย่างยิ่งได้บริจาคที่เป็นการเฉพาะกิจเพื่อการนี้มิได้ทําการเรียร์ไรที่เป็นการทั่วไปแต่อย่างใดจนได้รับที่ดินจํานวน61ไร่มูลค่า12ล้านบาทถวายเป็นกรรมสิทธิ์แก่วัดป่ามันตาดโดยคุณสมบัติฉเฉลิมมุทินาน เจ้าศรัทธาใหญ่และคณะเข้าถวายโนดต่อองค์ลุงตาโดยตรงเพื่อประโยชน์ใช้สอยสืบไปการทั้งหลายทั้งปวงก็ด้วยมาคํานึงถึงพระมหาคุณูปการของพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ได้มีต่อกล้าวกระผมโดยตรงในฐานะที่องค์ท่านได้เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้คู่คุณธรรมมิชาจารณะสัมปันโนมาตั้งแต่บวชได้เพียงรรษาสได้เข้าไปอยู่จำภรษาภายใต้ร่มเงาขององค์ท่านณวัดป่ามันตราติดต่อกันโดยตลอด ตั้งแต่ปีพศ2512ถึง2525 25, เป็นเมตตามหาคุณอันสูงลน้นยากที่จะทดแทนพระคุณด้วยได้ด้วยบุญอื่นก็คิดเสมอแต่เพียงว่าการทำเจดีย์ถวายบูชาพระเดชพระคุณเป็นบุญอย่างสูงยิ่งในฐานะที่องค์ท่านเป็นถูปารหะบุคคลเอกอัครมหาบุตรผู้สมควรสร้างเจดีย์ถวายก็ได้พยายามรวบรวมจตุปัจจัยของวัดที่เก็บรวบรวมไว้ในโอกาสต่าง ก็จะได้นำมาถวายเป็นส่วนหนึ่งของการก่อสร้างในจำนวน50ล้านบาทต่อไปขณะที่การเตรียมการด้านต่างๆเพื่อการก่อสร้างเจดียด์บูชาพระคุณดังกล่าวนั้นเก้ากับผลก็ได้รับหนังสือคำสั่งขององค์ลุกตาที่พิเศษ1ทัพลงวันที่8เดือนกุมภาพันธ์พศส5 5 3มีสาระสข้อดังที่ทุกท่านได้รับทราบแล้วนั้น ถึงกระนั้นก็ตามองหลวงตาก็ยังได้มีเมตตาทําพิ่นายกรรมมอบหมายหรือระบุให้เกล้ากับผมเป็นกรรมการผู้หนึ่งในการดูแลจัดการให้เป็นไปตามพิ่นายกรรมเกล้ากับผมเองก็ได้ทุ่มเทกําลังกายกำลังใจกําลังจิตตุปัจจัยทุกอย่างทุกประการร่วมกับคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์หมู่เพื่อนศิษยานุศิ์ทั้งบรรพชิตและเครือขัดขององค์หลวงตาทุกท่วนหน้าพร้อมเพียงกันจัดทํางานที่เห็นคนกระทําจนงานพระราชทานเพลิงศิริละ สังขารสาเร็จเรียบร้อยลงได้ดีไม่ได้มีข้อคอรหาใดๆด้วยต่างตั้งใจทําเพื่อถวายบูชาพระคุณอย่างแท้จริงอย่างไรก็ดีเก้ากับผมอยากจะข อ, อกราบเรียนประเด็นสำคัญบางประเด็นที่น่าจะได้นํามาพิจารณาสรุปได้ดังนี้หนึ่งสถานที่ที่เหมาะสมแห่งใหม่แห่งใดนั้นขึ้นอยู่กับมติของหลวงปู่บุญมีปริปุนโนหลวงปู่ลีกุศละทะโลพระอาจารย์สุดใจทันตมโนเจ้าวาดวัดป่ามันตาม พร้อมคณะสงฆ์ศิษยานุสิท์ทั้งบรรดชิตและคฤหัตขององค์หลวงตาทุกมูลเล่าที่ที่จะพิจารณาหารือเห็นชอบร่วมกันหากเห็นจุดใดจุดหนึ่งที่นับว่าเหมาะสมแล้วกล้าวกับผมเองก็พร้อมที่จะอนุมโมทนาและยินดีสนับสนุนมติของสิทธิองค์หลวงตาทุกมูลเล่าที่เห็นชอบร่วมกันแล้วทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงถึงความสามาคัคคีพร้อมเพียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว 2. คณะสงฆ์น่าจะได้พิจรารณาพวินิจฉัยของทูลกระหม่อมฟ้าหญิงเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติในฐานะที่ทรงเป็นบุตรบุญธรรมโดยการพิจารณาถึงพระมติพระวินิจฉัยให้ถ่องแท้ทั่วถึงที่ไม่ใช่เป็นเพียงการถวายให้ทรงมาเป็นประธานแต่เพียงในพระนามเท่านั้นแต่น่าจะได้ให้ทรงได้มีส่วนร่วมอย่างสําคัญพร้อมไปกันกับคณะสงฆ์อย่างแท้จริงเพื่อให้การวินิจฉัยใครควรการดําเนินการของคณะสงฆ์ถูกต้องชอบธรรม ด้วยหลักการและเหตุผลข้างต้นโดยคํานึงถึงการละเทศะสถานที่บุคคลเช่นการนําหลักการในประวัติศาสตร์พุทธศาสนามาเป็นเครื่องพิจารณาประกอบด้วยกล่าวคือการสร้างเจดีประดิษถานาสถานที่สําคัญที่วงการพระพุทธศาสนาตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนั้นก็คือความสำคัญของสังเวชนียสถาน4ตนําบลดังเช่นในประเทศเนาปาลอินเดียคือสถานที่ประสูตษตัสสุลแสดงปฐ ม, มเทศนาปริญญิพาน รวมทั้งมกุฏพันธนะเจดีสถานที่ถวายพระเพลิงโดยสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับองค์หลวงตาเหล่านี้เช่นนิวาสถานณบันตาดนับเป็นจุดที่องค์ท่านถือกําเนิดวัดโยธานิมิตนับเป็นสถานที่ที่บรรพชาอุปสมบทวัดดอยธรรมเจดีนับเป็นสถานที่ที่บรรลุธรรมกุฏิพมนักจําพรรษาณวัดป่ามันตาดนับเป็นสถานที่ที่องค์ท่านทิ้งขันและเมนพระรยาทานเพลิงสลีละสังขาร ก็นับเป็นสถานที่สําคัญควรแก่การส ก, การะบูชาที่องค์ท่านเข้าสู่อนุปาทิเสสนิพานดังนั้นพระมินิชัยที่ทรงมีพระประสงค์จะสร้างเจดีย์ประดิษฐานไว้ณนะสถานที่แห่งนี้ก็นับเป็นเหตุผลที่น่าจะได้นํามาพิจารณาด้วยเช่นกันสามก็ผมเองเห็นว่าตนได้ไปบัตดหน้าที่ตามพินัยกรรมขององค์หลวงตาที่องค์ท่านได้มอบหมายไว้เกี่ยวกับการจัดการศรีระสังขาร และให้นำเงินบริจาคในงานศรีระองค์ท่านทั้งหมดเข้าครังหลวงโดยได้ทำหน้าที่ในส่วนนั้นๆอย่างสมบูรณ์แล้วส่วนเรื่อ ง, เ, องเจดีก็ดังปารบกับหมูเพื่อนไว้ต่างวาระแล้วว่าองค์ท่านไม่ได้มอบหมายให้กับผมทำหน้าที่ในส่วนนี้แต่อย่างใดดังนั้นการลงนามเกี่ยวกับเจดีหรือการพิจารณาร่วมกับคณะสงฆ์เกี่ยวกับสถานที่จึงไม่ใช่เป็นสิ่งที่ก้าของผมควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรง ขอมอบให้เป็นภาระทุระหน้าที่ที่คณะสงฆ์สิทธิานุสิ์ขององค์หลวงตาทุกหมู่เราจะได้พิจารณาหาหรือเห็นชอบร่วมกันหากได้ข้อสรุปเป็นประการใดแล้วกล้าวกับผมเองก็พร้อมน้อมยอมรับมติของคณะสงฆ์ที่เห็นชอบร่วมกันนั้นแล้วและถ้าหากมีผู้ยกคําถามขึ้นมาว่าสนับสนุนการก่อสร้างหรือไม่ ก็ดังที่เกล้ากับผมได้ประวัลนาต่อคณะสงฆ์ณสาลาใหญ่วัดป่ามันตาดในวันเปิดโครงการก่อสร้างเจดีย์เมื่อวันที่หนึ่งตุลาคม2 5 5 5เวลา16นาฬิกานั้นในการที่จะร่วมถวายจตุปัจจัยจำนวน50ล้านบาทเพื่อสร้างเจดีย์ถวายเพื่อสร้างเจดีย์พ่อแม่ครูอาจารย์ก็นับเป็นเจตนาประสงค์เดิมของเกล้ากัผมอย่างแท้จริงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างไร วงได้เปิดเท่าที่กล่าวกับผมได้รับทราบต่างกรรมต่างกรรมต่างวาระจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านทราบว่าทรงมีพ่อประสงค์อย่างแท้จริงที่จะทรงสร้างเจดีน้อมถวายณสถานที่ที่พระรยาฐานเพลิงศรีระสังขารของท่านพ่อเพราะจุดนี้ทรงเห็นว่าเป็นจุดที่สําคัญทางประวัติศาสตร์สําหรับอนุชนรุ่นหลังต่อไปในภายภาคหน้าที่จะได้รับรู้รับทราบ ถึงความสาคัญของสถานที่ที่ตนมากราบไหว้สการะบูชาว่าเป็นอนุบาตทิเสสนิพานเจดีนับเป็นมงคลสถานยิ่งตราบนานเท่านานอีกทั้งเมื่อได้ทรงสร้างเจดีน้อมฉวายในจุดนี้แล้วศาลาใหญ่ซึ่งเคียงข้างองค์เจดีก็นับเป็นเครื่องเกื้อกูลอุดหนุนกันให้ผู้ที่มากราบเจดีได้แวะพักอาศัยร่มเงาภายใต้ศาลาใหญ่ก่อนหรือหลังการเข้าไปกราบไหว้องค์เจดี อีกทั้งองค์เจดีย์ก็มีขนาดเพียง9เมตรคูณเเมตรสูง38เมตรเท่าจำนวนมงคล38ประการสรุปก็คือเจดีย์ทูนกระหม่อมทรงปาถนาพิพิธภัณฑ์เป็นความประสงค์สิทธิองค์หลวงตาดังนั้นในส่วนของพิพิธภัณฑ์หรือหอธรรมที่ต้องการสถานที่ที่กว้างขวางเพื่อเป็นสถานที่แสดงชีวประวัติจารึกรมคาสอนแนวทางปฏิบัติที่ได้ผลมาแล้ว ตลอดถึงแนวดำเนินโครงการช่วยอนุเคราะห์ช่วยสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์โลกที่คณะสิทธ์ได้ดูได้ศึกษาได้ได้รวบรวมไว้แล้วไม่เห็นชีวประวัติท่านผู้ใดในยุคปัจจุบันจะเสมอเหมือนหรือยิ่งกว่าชีวประวัติองค์หลวงตาไปได้โดยหอธรรมหรือพิพิธภัณฑ์นั้นเป็นลักษณะตัวอาคารหลังใหญ่ที่จำเป็นต้องใช้สถานที่ที่กว้างขวางเพื่อบรรจุสารธรรมดังกล่าว ให้พร้อมสับภายในสถานที่ณแห่งเดียวหากได้นำไปสร้างณตรงจุดที่คณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ได้ไปปักหลักไว้แล้วนั้นก็จะเป็นการถูกต้องดีงามสมตามความประสงค์ขององค์ลงตาอย่างแท้จริงที่องค์ท่านอยากจะให้ทาหอธรรมหรือพิฤ พ, ฤพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษาเรียนรู้ของอนุชนรุ่นหลังและบริเวณที่จะจัดสร้างนั้นก็เป็นสถานบริเวณที่กว้างขวางเพียงคอเหมาะสม สำหรับการเป็นหอธรรมหรือพิพิธภัณฑ์พร้อมสถานที่จอดรถสถานพักอิริยาบถเป็นต้นเพื่อความสะดวกสำหรับผู้เข้ามาทำการศึกษาหาความรู้ในหอธรรมหรือพิพิธภัณฑ์อันจะได้นำไปเป็นคติตัวอย่างอันดีงามสอนลูกสอนหลานตราบนานเท่านานแนวคิดเหล่านี้เกล้ากระผมขอกราบพรเพลียงคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์ไว้เพื่อประกอบการพิจนารณาต่อไปวงเล็บปิด จึงของกับเรียนคณะสงฆ์มาเพื่อโปรดทราบทั้งนี้สุดแต่จะพิจารณาเห็นสมควรด้วยความเคารพอย่างสูงพระอาจารย์อินทวายสันตุสโกเจ้าวาดวัดป่า น, นคำน้อยที่พวกเราได้ฟังจารย์รัตนะได้อ่านจุดยืนหรือว่าแนวความคิดของหลวงพ่อพร้อมกับคณะสงฆ์ วัดป่านาคำน้อยหรือชดทานญาติโยมของพวกเราในกลุ่มของเราเนี่ยก็ได้อ่านให้ฟังหลวงพ่อว่าเป็นอย่างที่จดหมายฉบับนี้ที่หลวงพ่อได้ให้เขียนเป็นลิขิตออกไปเพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน แต่ก่อนไม่จะพูดออกเป็นลมเป็นแรงแล้วก็พูดใส่ mp3 เมื่อพูดใส่ mp3 ก็ไม่รู้จะอยู่กันไหนแผ่นไหนแต่คราวนี้ได้ออกไปเป็นหนังสือยืนยันอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วก็เมื่อออกไปแล้วเป็นในลักอักษรแล้วหลวงพ่อเองก็ยอมรับทุกข้อความในจดหมายเรียกว่าในเอกสารฉบับนี้ เพราะมันเป็นอย่างที่หลวงพ่อได้คิดไว้อย่างนั้นจริงเพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาขององค์หลวงตาเนี่ยมีมากแต่เราจะกระโดดเข้าไปเป็นเจ้ากี้เจ้าการทีเดียวหลวงพ่อก็คิดหนักตั้งแต่ทีแรกแล้วละ่ะเมื่อหลวงตาจากไปไม่นานคณะสงฆ์ก็ได้ไประชุมกันอยู่ใต้ถุนกุฏิหลวงตาเขาก็บอกว่าให้หลวงพ่อเป็นประธานหลวงพ่อออกตัว ว่าถ้าจะให้หลวงพ่อเป็นประธานหลวงพ่อก็เป็นประธานในการประชุมศฉลยละของหลวงตาม้ายกหยกใหม่ๆยังพูดแบบชาวบ้านก็ยังเข็ดเขี้ยวอยู่งั้นเถอะเพราะเหตุไรเพราะว่าเอาพอจบลงมาแล้วบัตรสนเทศมีตั้งหลายฉบับตามมาอหลวงพ่อเองก็อืมถ้าหากว่าเพียงแต่เพียงระยะสั้นๆ หลวงตามรณะภาพเราก็เข้ามาจัดงานแบบช่วงระยะสั้นๆแต่ขนาดนี้ก็ยังมีปัญหาตามมามากพอสมควรแต่นี้จะสร้างพระเจดีย์หลวงตาและจะใช้เวลาตั้งหลายปีแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นเราจะรับไหวไหมและคุ้มค่าไหมเราก็ต้องบวกลบคูณหารหนักพอสมควรผมเป็นเรื่องใหญ่ พอเปลี่ยนนะั้นหลวงพ่อยังออกออกตัวว่าเอาเถอะหลวงพ่อได้ทำตามพินัยกรรมของหลวงตามอบหมายให้ให้จัดงานชลีละของท่านให้เอาทองคาเข้าคลังหลวงให้อ่านดูทีในพินัยกรรมนั่นแหละหลวงพ่อจัดสมบูรณ์ในความรู้สึกเต็มสติเต็มความสามารถของหลวงพ่อในฐานะที่ท่านมอบความไว้วางใจอยู่ในพินัยกรรม เมื่อท่านมอบความไว้วังใจกับเราเราก็ต้องทําหน้าที่ลูกให้ดีที่สุดเนี่ที่ท่านมอบความไว้วังใจให้อในเมื่อผ่านไปแล้วท่านก็ไม่ได้เขียนพินัยกรรมให้ว่าเมื่อพระรจตานเพลิงศิริละของเราแล้วเออเอาให้คณะกรรมการกลุ่มนี่ล่ะกลุ่มที่เราให้พินัยกรรมนี่แหละเอเป็นผู้สร้างพระเจดีย์หรือว่าสร้างหอธรรมให้สําเร็จรุ่วงให้ดําเนินการต่อไปท่านก็ไม่ได้พูด อย่างนั้นเพราะนั้นกระผมเองขอมอบให้กับคณะสงฆ์คณะศิทธิอนุสิ์ทุกหมู่เหล่ากระผมเองเอาบุญช่วงทำศรีละของหลวงตาเนี่ก็น่าจะเพียงพอจำนวนอื่นก็แบ่งแบ่งกันนะให้จัดการไปเลยเกระผมก็ไม่ใช่จะไม่ให้การสนับส น, นุนนะสนับส น, นุน เ, เต็มที่ พอวันประกาศโครงการหลวงปอก็ประกาศจุดจืนีว่าวัดเราห้าสิบล้านบาทมีที่ไหนมีวัดไหนที่กล้าที่จะพูดถึงขนาดนั้นนะอย่างวัดเราเนี่ยเรากล้าประกาศก็คิดว่าเป็นไปได้เพียงพอไหมเราก็ไม่หนักใจพูดว่าว่าเราถึงจะพูดไปแล้วก็ไม่หนักใจค่อยไปเรื่อยๆคิดว่าไม่มีปัญหา นี่แหละเรื่องเจดีย์ขององค์หลวงตาเพ <c oughs> ราะนั้นจึงได้บอกเก่าให้กับพวกเราคณะชาตาญาติโยโมทุกหลานทุกคู่ทุกคนนะได้รับทราบนะแต่ขนาดพินัยกรรมขุมหลังอยู่ขนาดนั้นตอนช่วงชลีระประชุมชลีระขององค์ท่านก็ยังมีเรื่องอะไรตัวไม่อะไรแต่นี่ถึงสร้างพระเจดีย์กนะี่ปี <_ an> และก็ทันก็ไม่ได้มีพินัยกรรมให้คุ้มครองอีกต่างหากมีแต่เราแสดงเสนอหน้าออกไปแล้วจะเป็นยังไงเหมือนกับช้างออกลงเดินลงไปสู่สงครามอย่างนั้นลูกสอนมาในทิศทั้งสี่รับไหวไหมแต่หลวงพ่อก่ต้องฟังแต่ถึงยังไงก็ตามถ้าว่าถึงจุดหนึ่งถ้าทุกคนยอมรับว่ามันเป็นไปไม่ได้เอา้ามา หลวงพ่อยินดีที่จะออกไปสร้างบูชาพระคุณห ล, หลวงตาไม่หนีเหมือนกันแต่ช่วงนี้ให้คณะสงฆ์คณะสิทธยานุศิทธิ์ดำเนินการไปเราก็ให้การสนับสนุนแต่ว่าเป็นไปเป็นไปอย่างไงตัวไปภายภาคหน้าอย่างไรเราก็ไม่ได้ปล่อยปลาละเลยเราก็มองหาวิธีการ จะทำยังไงที่จะช่วยยังไงที่จะให้เจดีของหลวงตาแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเหมือนกับเข้าในอยู่ในควันไฟมันลุมลมันตุ่มมันตุ่มมันลุ ม, ลมไม่รู้อันมีอะไรตัไมีอะไรเผอเผลอจะโดนหมัดหลงเข า, เาโดนตะพธิเขามาจากทางไหนก็ไม่รู้เพราะนั้นเราก็ต้องกระโดดออกมาจากกโดดออกมาห่างซะก่อนดูซะก่อนว่ า, ามีอะไร เกิดขึด้นไหมในกลุ่มพี่น้องของเรานะเนพ ะ, ะวันนี้จึงมีหนังสือฉบับนี้ละอ่านให้พวกเราได้ฟังนะตอนนี้ไปคณะสงฆ์เจ้านุ ม, มทนาให้พรนะทนีนะ